วันนี้เป็นวันอุโบสถเดือนสามดับตรงกับวันที่หกมีนาห้าหนึ่งพวกเราฟังอุโบสถจบลงสักครู่นี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักหน้าที่หน้าที่ของเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไรให้พวกเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอ ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดจุดนี้เอาไว้พวกเราอาจจะหลงละเิงหลงลืมตัวว่าข้านี้เป็นใครเพอเพอทําสิ่งที่ไม่ควรจะทํายึดเอาทางฆราวาสมาทําหรือทําตัวเหมือนฆราวาสอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉนั้นพวกเราให้มองดูตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นใครเราทําหน้าที่อะไรเราเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้ ถ้าเราได้คิดไว้อยู่ในใจเสมอพวกเราจะไม่หลงลืมตัวว่าขณะนี้เราเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรแล้วเราควรจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างไรอันนี้ก็ให้ถ้าพวกเราได้คิดไว้ในใจเสมอพวกเราจะไม่หลงลืมตัวแล้ว ก, การเป็นอยู่ของพวกเรา ปัจจัยสีทั้งหลายก็เป็นหน้าที่ของศรัท ธ, ธาญาติโยมเป็นผู้นําถวายก่อนที่เขาจะถวายเขาได้คิดยังไงในจิตใจอันนี้ถึงเราจะไม่รู้ในจิตใจของเขาใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทําบุญทําทานเราก็ตั้งหวังมักหวังผลหวังมักผลนิพพานนิพพานปัจยโยหโหตุทานังเมปริสุทธังนิพพานังปรมังสุ ข, ขัง อันนี้ก็คือการบริจาคทานของเขาบริจาคทานมากน้อยก็หวังพระนิพพานนี่นิพพานังประมังสุขขังขอให้ถึงพระนิพพานเพราะนั้นพวกเราที่เป็นแนวหน้าที่เป็นพระในพระพุทธศาสนาจุดนี้ล่ละให้พวกเราคิดเรียงลำดับไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราได้คิดอย่างนี้ไปแล้ว ความสะเพ่าความมักง่ายความลืมตัวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นพวกเราที่มาอยู่ที่นี่อยู่กับผมที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องหนักใจให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติผมรับหมู่พวกเพื่อนไว้ก็เพื่อแนะนำสั่งสอนตามสติกาลังความสามารถของผมมีถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังก็ผม หมู่พวกเพื่อนก็นอัดใส่ MP3 หลายแผ่นสรุปแล้วก็คือแนวความคิดของผมอยู่ใน MP3 แต่ละแผ่นนั้นมากพอสมควรถึงจะพูดอีกก็คงจะไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นฟังจุดนั้นแล้วพวกท่านทั้งหลายก็คงจะตีแต ก, รรออกหรือว่าคบคิดออกหรือว่าพิจารณาไตร่ตอง ด้วยเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะรู้ว่าแนวทางที่ผมแนะนาสั่งสอนนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษากับผมให้ตั้งอกตั้งใจผมไม่มุ่งหวังอย่างอื่นพวกบางองค์พอเข้ามาอยู่แล้วก็ลืมตัวผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถึงจะไปอยู่นสถานที่ใดถึงจะไม่ใช่วัดผม ก, ก็เถอนะนับไปอยู่น่าสถานที่ใด ไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนแต่ว่าสมัยผมไปอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าอันนั้นผมยังเป็นเดนน้อยอยู่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็อยู่แบบปู่อยู่ขับหลานแบบมีอะไรก็งอแงบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นแต่ผมมาอยู่กับองค์หลวงตานี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วพันษาสีพันศาห้าแล้วที่มาอยู่วัดป่าพันตาดอันนี้ผม ไม่เคยคุ้นเชื่องกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเอเห็นท่านทีไรผมถือว่าเป็นผู้ใหม่ทุกวันนี้ก็เถอะนะผมเข้าไปผมยังไม่เคยบอกจะวิสาสะละคุ้นเชื่องจะพูดล้อเล่นกับท่านผมไม่เคยผมพูดอย่างนั้นได้พูดด้วยความเกรงอกเกรงใจพูดพูดด้วยความเคารพถือว่าเพื่อท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราเพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลายทั้ไปอยู่นสถานที่ใดก็ตามถึงจะมาอยู่กับผมที่นี่ก็ตามก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นให้เป็นผู้ใหม่อย่าคุ้นเชื่อกับศาสนาอย่าคุ้นเชื่อกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่าเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอต่อหลักพระธรรมวินยัยแต่ถ้าว่าพวกเราถือว่าเราเป็นผู้เก่าเข้ามาแล้วรู้จักเรื่องต่างๆแล้ว พวกเราจะดื้อด้านดื้อด้านหานทําความชั่วในหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ผมพูดท้งนี้ถ้านั่นเป็นการย้ํากล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจต่างว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะภาคภูมิใจในการประพฤติธปฏิบัติของเราแต่ถ้าว่าพวกเราทําอะไรหลอๆเลยแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ ไม่เชื่อมั่นในตนเองจะพูดอะไรก็ตามจะกระทาอะไรก็ตามก็ไม่เชื่อมั่นในตนเองถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เหมือนกับผู้ใหญ่หลักลอยหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อในการกระทาของตนเองไม่เชื่อในหลักพระทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นได้ ทางว่าพวกเราเชื่อมั่นในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนําผู้ประพฤติธปฏิบัติให้พ้นทุกนวัตสงสารได้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเรามีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ในจิตใจแล้วถึงจะทําขี้เกียจมักง่ายบางครั้งออนอนใจบ้างชาราใจบ้างแต่ถึงยังไงในส่วนลึกนั้น เราก็เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอไม่จะไม่นอนแบบราบคากไม่นอนแบบหลงลืมตัวแบบฟื้นไม่ขึ้นจะไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเราคิดอยู่ในใจเสมอว่าพระธรรมคำํำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยามใ น, นกระทำจริงพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วถึงเราจะเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เราเริ่มเดินเราก็รู้แล้วว่านี่แหละคือหลักธรรมที่จะนําจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นมาได้ด้วยหลักพระธรรมวินัย เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านมาอยู่กับผมหลายรุ่นหลายองค์บางองค์บางรุ่นก็มาอยู่แล้วก็หลงลืมตัวผลที่สุดเหมือนเหมือนกับตัวเองคิดว่าจะไม่ไปไหนตามไม่จริงโลกนี่เป็นโลกอเนจังการไปอยู่ใาสถานที่ใดต้องทำดีที่สุดอย่าให้หมู่ครูบาอาจารย์หนักอกหนักใจกับเราอย่าให้หมู่พวกเพื่อนหนักใจกับเราเให้เราเป็นพระที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง ให้เป็นที่ยอมรับของญาติโยมให้เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มอบหมายให้ทํางานสิ่งใดทําให้ดีที่สุดหมู่เพื่อนมอบความไว้วางใจให้ทําอะไรทำหมู่พวกเพื่อนทําการทํางานอะไรในวัดที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อวงการพระสงฆ์เราทําดีที่สุดเราช่วยเหลือในการกระทํานั้นๆ ตามความสามารถของเราที่จะทําได้เราจะไม่หลบหลบหลีกเลี่ยกล่ีเลี่ยงเพราะการหลบหลบหลีกเลี่ยงนั้นมันเป็นการขี้เกียจเห็พระขี้เกียจพระไม่สู้พระไม่เอาไหนเราไปอยู่ไปอยู่นสถานที่ใดก็หนักใจหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็หากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเราเป็นพระหล่อหแหลๆ เห้เพะนั้นอยากให้มีในวงการหรือในวัดของเรานะพะนั้นขอฝากไว้หรือบอกไว้ให้หมู่พวกเพื่อนทุกองสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจให้เข้มแข็งในหน้าที่ในศีลอาารวัดของตนเองแต่ถึงยังไงก็ตามการอยู่ร่วมกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่อย่างท่านอาจารย์รัตนะอย่างเนี้ยท่านก็เป็นอาจารย์สวดพวกท่าน พวกท่านจะมองข้าไม่ได้ น, นั้นคืออาจารย์สวด น, นอกจากนั้นก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นั่งหัตถบาตในขณะที่เราบวชเราจะไปดูถูกเกียดย้ยำไม่ได้เพราะนั่นท่านเป็นนั่งเป็นสักขีพยานก่อนที่เราจะได้บวชก็ถือว่าท่านเป็นพยานเป็นสักขีพยานยอมรับเราให้เราได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นให้ถือเป็นเหมือนพี่ๆให้เตือนกับพี่ๆ ครูบาอาจารย์ไว้ในจิตใจเราจึงไม่ประมาทจะไม่ปราศะปราศระราศคือตีเสมออรัชจัตาตาร์เป็นผู้ไม่ละอายเพราะฉนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะให้การอยู่ร่วมกันให้ถือเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่แต่ถึงยังไงก็ตามในจิตในใจนั้นผมเองที่เป็นหัวหน้าผมก็คิดผมไม่ใช่ว่าผมไม่คิดที่เป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่คิดจะทํำยังไง เหมือนกับไม้อยู่ในป่ามันมีต้นสูงมันมีต้นต่ำมันมีต้นเล็กมันมีต้นใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันพระหมูพวกเพื่อนเข้ามาอยู่กับผมบางองค์ก็เฉลียวฉลาดบางองค์ก็ฉลาดอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รอบคอบอย่างหนึ่งมันก็มีในพระของเราไม่รู้กับใครต่อใครแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจผมก็พยายามแนะนาสั่งสอน แนะนำจุดนั้นแนะนําจุดนี้ให้มองมุมนั้นให้มองมุมนี้ เ, เหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้อสรุปแล้วก็คืออยากจะให้หมู่พระที่เขามาศึกษากับผมนี่ เ, เป็นผู้เฉลียวฉลาดไปนักสถานที่ใดเอาตัวรอดอย่าให้เป็นพระที่ไปที่ไหนอขวางาวัดขวางว า, าขวางพระศาสนาผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆองคนะที่เขามาศึกษาผมให้ดูให้รู้ว่าเจตนาของผมนั้นเป็นอะไรผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกเกียดย้ำลังแกหรืออะไรทั้งหมดสิ่งไหนที่พอจะช่วยได้มีอะไรให้บอกถ้าไม่กล้าบอกผมก็ให้บอกองค์ต่ อ, ต อ, ตอไปให้บอกว่าผมเป็นอย่างงุ้นผมไม่สบายอย่างนี้ก็บอกมาของใช้ในวัดของผมไม่ใช่ของผมนะ เอออย่างที่ผมเขาเคยพูดอย่างเป็นรถราคดก็ตามแต่ถ้าหางว่ามีใครครับไปมีเจตนาอะไรก็ต้องบอกผู้ใหญ่ซะก่อนต้องบอกกล่าวซะก่อนไม่ใช่คิดจะไปทางไหนก็ไปไม่เคารพกันึ่งกันและกันไม่ได้อันนี้ถ้าหาว่าผมไม่อยู่อย่างเนี้ยอาจารย์รัตนาย่เนี่ยก็ต้องบอกจะไปคิดแบบไปแบบไม่รู้จัก หัวยัไม่รู้จักเท้าจะคิดจะไปก็ไปอันนั้นไม่ได้นะถ้าว่าขืนต่อไปทำตื้อด้านต่อไปเคยชินเข้าไปนั่นแหลอจะโดนดุด่าว่ากล่าวผมไม่ได้ไว้ใครทั้งหมดถ้าทำไม่ถูกนะแต่หากว่าท่านรัตนาไม่อยู่ท่านไัยบูนอยู่ก็ต้องบอกหรือว่าท่านหนอยอยู่อก็เป็นท่านหนอยเป็นหัวผู้ใหญ่ก็ต้องบอกกล่าวแต่ก็ต้องพิจ า, ารณากันว่า การไปครั้งนี้มีความหมายอย่างไรเป็นยังไงมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าคิดจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นพระอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นว่าให้พวกเราส้ำนึกอยู่เสมอว่าเราคือใครเราเป็นใครการประพฤติปฏิบัติของเราควรทำอย่างไรให้ทำนึกไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราคิดไว้อยู่เสมออย่างนี้ผมว่าความไม่ลืมตัว การวางตัวการอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะก็จะร่มเย็นเป็นสุขเราอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะเราไม่ได้มุ่งหวังโลกามิษฎอะไรทั้งหมดไปต้องการลาบยศสนะเส ร, ริญสุขภายนอกเราต้องการภาวนามาอยู่เพื่อชําระจิตใจทํามาอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปหวังอย่างอื่นไปนว่าหวังผิดที่ผิดทางแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้รู้จัก หน้าที่ของตนเองให้รู้จักการเป็นอยู่ของตนเองให้เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยอย่าป ร, ราศาคือตีเสมอไม่ได้นะให้พวกเราให้ดูวั ย, ยวุฒิคืออะไรคือพระผู้เท่าถึงจะบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาเราก็จะเป็นล้อเล่นไม่ดูดไม่เคารพมันก็ไม่ถูกแต่พระผู้เท่าก็เหมือนกัน ถามพระภูน้อยมีอายุพันสามากกว่าเราจะไปพูดมันก็ไม่ถูกอันนี้ก็คือผมเองก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระภูเท่ารู้อยู่แล้วโดยมากก็มีแต่คงแก่เรียนมาทุกองค์แล้วที่ทเข้ามาบวชเมื่อพายแก่เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้เคารพวิญญาณวุฒิคุณวุฒิการอยู่ร่วมกันเมื่อเราทําถูกต้องแล้วนั่นแหละทนการอยู่ ในศีลาราวัตกร่มเย็นเป็นสุขในเมื่อเราทำถูกต้องตามศีลาราวัตแล้วการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจจิตใจก็เยือกเย็นจิตใจก็มีเหตุผลกำหนดภาวนาอะไรใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเราทำถูกจิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นนั้น อย่าไปคิดว่ามันมีความสุขนะการวางตัวไม่ถูกมันจิตใจปั่นป่วนผลที่สุดจะอยู่ไม่ได้เอาอยู่ที่ไหนเกิดเดือดร้อนเหมือนกับคนนั้นเจ้าวะเหมือนกับคนนี้เจ้าวะมันขวางของาะั้นแต่มันขวางกั น, น, กนเพราะฉะนั้นอยากให้มีในวงการพระสงฆ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาแต่ละวันอยู่เงียบเงียบนั่งอยู่ตามลําพังหาหลีกเล่นหาภาวนา ตามลําพังถึงเวลาข้าวกิจวัตรขววัดก็เออทาตามกิจวัตรขอวัดออกจากนั้นแล้วก็กลางค่ํากลางคืนเอ้าดีเล่นหาภาวนาหามุมสงบสงบนั่งภาวนาพยายามนั่งให้นาน เ, เราจะฟังเทศก็ไดเ้เครื่องมืออุปกรณ์ในการฟังในการศึกษาผมก็เตรียมให้พร้อมทุ่นบริบูรณ์ฟังสิศึกษาสิ อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทันเทศกลางค่ำกลางคืน เราฟังสถานีวิทยุของในวัดของเราก็มีอยู่แล้วผมไปศึกษากับองค์หลวงตาสิบกว่าปีสิบสามปีนีน่แหละที่ท่านพูดเทศอบรมพระกลางคืนนี่แหละเราฟังได้ศึกษาได้เราฟังพยายามฟังให้เข้าใจและศึกษาให้เข้าใจอย่าไปฟังแบบหลับแล้วนอนนอนแล้วตื่นตื่นแล้วฟังไปอย่างนั้นไม่ได้นะต่อไปมันจะดือดอจจะด้อด้านเกียรตใจจะดื้อด้านต่อหลักพระธรรมทิน ไ, ไหนเหมือนกับด้านมันด้านต่อ ความดีเป็นยังไงมันด้านเหมือนกับส้นตีนของเราเี๋เห็นไหมเดินไปในพื้นดินต่อไปมันด้านแข็งมันไม่รับอะไรทั้งหมดมันแข็งมันด้านอันนี้ก็มือนใจเหมือนกันน่ะใจของเรามันด้านมันไม่ไม่ยอมรับฟังดีรือชั่วถ้าเราฟังอย่างนั้นเพราะนั้งก่อนที่จะฟังเราก็นั่งกำหนดภาวนาพุโทโธพุโทโธฟังจากนั้นถ้าเราไม่ฟังเราก็ดับซอแล้วก็นอนทําไม นอนเราตื่นว่ากับนั่งฟังองีกเราจะฟังกี่การสองสามการหรือประการหนึ่งแต่ละวันผมว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับพวกท่านทั้งหลายอย่างมากถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้จักวิธีการปฏิบัติกับ ต, บตนเองอย่างนั้นแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายขี้เกียจไม่ยินดีในการฟังฟังแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังแ ล, แล้วพวกท่านจะเฉลียวฉลาดผมว่าจะไม่มีทางเพราะเหตุใดเพราะไม่ใฝ่ในการศึกษา ก่อนที่พวกเราจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดได้ขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการขีดการเขียนการศึกษาการอ่านการไต่ตรองการไถ่าถามจากนั้น ก, การฟังเป็นหลักนั่นแหละอันนี้แหละปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อรู้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาได้รู้แนวทางแล้วเราจะนํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราและจิตใจของเราก็จะโดดเด่นยกระดับขึ้นเรื่อยๆ สูงส่งขึ้นเรื่อยๆเพราะหเหตุไรพวกเรายกระดับใจของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักยกย ก, ยกระดับใจนะใจมันจะต่ํำทรามลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นให้ตั้งใจภาวนาภาวนาเท่านั้นแหะจะยกจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นได้สําหรับผมเองผมก็ไม่ได้จำจี้จำชัยสำหรับหมู่พวกเพื่อนเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่มาแล้วถ้าว่าเราจำจี้จำชัยบอกเช้าบอกเย็น เห็นที่ไหนก็นํามาอบรมกันอยู่เลยก็ทําให้เป็นที่ลาคาญเหมือนกันทั้งที่จิตแจมิจะก้าวไกลไปได้มีแต่ประชุมกันอยู่เลยเอมีแต่ตั้งต้นกันอยู่เลยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติสักทีอันนั้นผมก็ว่าไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าผมศึกษามาก่นเนี่ยมีแต่แนะนําบางครั้งบางคราวเอมืองบางครั้งก็หนักบ้างเบาบ้างบางครั้งก็ เป็นแนวความคิดบัางแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแล้วก่อนนำไปคิดไปไตรตรองไปพิจารณาด้วยตนเองอีกครั้งหนึง่งไปคันกรองอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้อะไรจากเราหรอกเรานี่แหละเป็นผู้ได้ทั้งหมดเป็นสมบัติของเราเองแต่ถ้าว่าเราฟังแล้วเราฟังแล้วรู้แล้วว่าเป็นสมบัติของเรายัางไม่ใช่นะเราต้องนาไป วิธีนำที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งกรานกองอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่จิตใจของเราจึงเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงได้แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ผ่านผ่านไปผ่านผ่านไปแต่ละวันเหมือนกับเราเหมือนกับอะไรถ้าจะเปรียบเทียบกันเหมือนกับเราเลี้ยงหมาสามสีห้าตัวในวัดของเราอย่างนั้นะ อยู่ด้วยกันเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ได้กันกรองไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรมันก็ไม่แพ้กันนะแต่ถ้าว่าพวกเราดันกรองไตตรองเหตุและผลแล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัตินั่นแหละจิตใจของเราจะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆพระเทโณนะพระเทวดาก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปรับปรุงแก้ไขถึงจะเป็นพระแต่ภายนอกก็เถอะนะ เป็นพระที่รักษาโนได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุายจิตใจของเรามันไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้แก้ไขเห็นไรขว้างหงูขวางตาไปหมดทะเลาะวิวาดกราดเกลื่อนไปหมดอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะหมู่พกเพื่อนที่การแนะแนําเรื่าการสอนของผมถึงจะพูดกระแนงกระแนงอย่างไรก็ตามพูดตรงก็ตามพูดเด็ดเผ็ดร้อนก็ตามพูดดีก็ตามสรุปแล้วก็คือผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นพระที่ดี เหมือนกับช่างเหล็กที่ตีเหล็กนั่นแหะถึงจะตีค่อยตีแรงก็อยากจะให้มีดเล่มนั้นเหล็กเล่มนั้นเป็นมีดเป็นขวานให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าตีทิ้งๆข่วงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ใช่อย่างนั้นตีทรงเดชไม่ใช่อย่างนั้นการตีในช่างเหล็กเขาตีเหล็กเขาก็ตีพยายามตีค่อยตีแรงก็เพื่ออยากจะให้มีดเล่มนั้นเป็นมีดเป็นขวานใช้การใช้งานได้จนถึงเป็นมีดที่ดีล้าเลิศเพราะงั้นแหะ แต่ถ้าว่าพวกเราถูกตีแล้วมันงอมันคดมันโค้งไม่เป็นมีดที่ดีได้ไปว่าเขาว่ามีดก้นเตาภาษาช่างเหล็กเขาบอกมีดก้นเตาตีเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกเอามาชุบก็ไม่ได้แแตกงอผลที่สุดเล็กๆมีดเล่มนั้นมีแต่โยนเข้าป่าเท่านั้นอย่าพูดอะไรเพราะว่ามีดเล่มนั้นเหล็กกลมนั้นใช้ไม่ได้มันเหล็กไม่ดี ไม่คงทนต่อการตีมันจะเป็นมีดได้ยังไงถ้ามีดเล่มไหนตีแล้วยิ่งเหนียนยิ่งแน่นยิ่งคมเอาไปชกก็ยิ่งดีนั่นแหละอันนี้พวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะห้ามาบวชในพุทธศาสน า, า, าคือสรุปแล้วคือให้ฟังทำคําสั่งสอนเมื่อกูบาอาจารย์หมู่เพื่อนแนะนําสั่งสอนให้สังเกตให้ฟังอย่าไปโกรธอารมณ์โมโหโทโสขึ้นมาในจิตในใจถ้าพวกเรา พอหมู่บอกว่ากล่าวครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้ว เ, ออเกิดอารมณ์ชนขึ้นในใจอันนั้นไม่ถูกนะออไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็มาเพื่อการศึกษาไม่เป็นไม่ใช่อย่างอื่นนะออวันนี้เป็นวันอุโบสถผมพูดก็เห็นว่าพอสมควรเป็นการแนะแนวสาหรับหมู่พวกเพื่อนแล้วผมก็คงจะได้บอกออกไป ท, ทําธุระหลายวันพอสมควรก็มอบให้ท่านรัตนะเป็นผู้ดูแลหมู่พวกเพื่อนนะ ขอให้พวกเราทุกองนะแต่อกตั้งใจอย่าให้มีเรื่องจะให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาภายในวัดนะท้งนี้ทางนั้นผมก็เป็นการแนะนำเป็นการบอกกล่าวเท่านั้นละ่ะถึงยังไงที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามการอยู่ร่วมกันก็พยายามอย่างที่ผมวาให้รู้จักหน้าที่เราเป็นใครเราอยู่ในสถานหน้าไหนเราเป็นพระหน้าที่ของพระทำอย่างไร พยายามถามตัวเองอยู่เสมอแล้วพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการพูดการแนะนำหมู่พวกเพื่อนก็เห็นว่าสมควรขอยุติตอนนี้ไปสุดท้ายพระปฏิโมก